ไปซ้ายจะไปขวายังไม่แน่ตัวนี้เป็นตัวแปรอนหนึ่งทีนี้ก็เลยว่าถ้าในคอตนี้เราสามารถเห็นความรู้สึกทั้งสองด้านเนี่ยด้านที่เป็นธรรมชาติและธรรมธรรมสัจจะด้านที่เป็นธรรมชาติคือกดของใตรักษใช่ไหมอันนี้จังทุกขงังเราแต่มันมีอยู่ก่อนอ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 องของความรู้ความเข้าใจของเราเพียงพอเราก็ไปตอกย้ำไปทำความรายละเอียดอะไรต่างๆโดยที่ไม่ต้องอาศัยด้านหลักปริยัตหรือสมมุติบัญญตัตเข้ามามากนักแต่เข้าไปสัมผัสในตัวที่เป็นปรมัติหรือตัวสภาวะตลอดเวลาเพราะทุกคนสัมผัสได้หลักๆมันมีอยู่แค่สามนะตลอดเวลานะครู้สึกที่มีตลอดเวลาไหาอย่างเนี่ย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 เพราะนั้นหลักการในเบื้องต้นก็คือที่ลำดับมาคร่าวๆจะพยายามตอกย้าตรงนี้ให้ชัดเสมอนะเราจะไม่อะไไปหลายประเด็นให้มันเบลอหรือมันมสับสนว่าในความรู้สึกสบายเราเรียกมันว่าอะไรนะสุขเวทนาใช่หอันนี้ภาษาบัญญัติเขานะตามภาษาของเราว่ารู้สึกสบายผ่อนคลายความรู้สึกนี้เป็นพื้นฐานของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ต้องการมันใช่ต้องการรู้สึกสบายผ่อนคลายปลอดโปร่ง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 ไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วมันก็ไม่เคยพ้นนะไม่เคยพน้นแต่พอเมื่อไรเรามาศึกษากับมาฐานมาศึกษาวิปัสสนาเราเริ่มใช้คําว่าเผชิญหน้ากัะสือทุกต้องกําหนดรู้ใช่ไหมต้องรู้จักกันหน่อยนันใช้คำว่า o n นฟ้อนใช่ไหมเผื่อนหน้าอ่าเผชิญหน้ากับมันเอ็นเข่าเท่าเรียบขอนฟ้อนโดยกา ร, รเผชิญหน้ากับมันไม่หนีอ่าสมมุติว่าหนัก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 ขนาฟังหลวงพ่ออยู่ข้างหน้านี้เธอยังหลับได้เลยไม่ใช่ธรรมดาเลยนะเธอนี่นั่นะ <c oughs> ต้องมานั่งใกล้ๆหลวงพ่อหลวงพ่อจะได้จี้บ่อยๆนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเอชาติแล้วม่ะเป็นตอนที่พระเจ้าแสดงธรรมเนาะบางคนก็นั่งขี่เขียนพื้นหรือเล่นบางคนนั่งดูดาวอบางคนนั่งหาวบางคนนั่งฟัง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 ไม่มีความรักที่จะทำก็ต้องลงมือทำมีความเพียรสามทำด้วยอะไรด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาถ้าทำด้วยอย่างอื่นไม่ใช่นะตอนนั้นเอาไปถึงไหนละไอ้หนูงงคนเดียวยทําให้สะดุดเลยพาออกนอกเรื่องไปไกลเลยฮนะไปถึงที่ว่าเมื่อกฎของไตรักบริหารได้ถูกต้องมันกลับไปสู่ที่เดิมคือไปเห็นการเกิดและการดับ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 ขอใช้หมึกสีอะไรที่จะเห็นชัดหมึกสีแดงเนาะหมึกสีแดงดีวกว่าขึ้นฉูกกล่าวหาอีกเอาหมึกสีน้ำเงินดีกว่า <c oughs> มันเป็นสั ญ, ญลักษณ์เลยล้ว่าอยากจะให้เห็นว่าเราสมมติว่าเป็นเบื้องต้นเนี่ยเป็นคาว่าจุตินะคือเกิดอ่ากอท่องการเกิดว่าและเกิดเขียนดวใหญ่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 เราจึงมาทาตัวนี้มาทำตัวยานคือตัวรู้นะฮะตัวรู้นี่ออกมานี้อยากจะให้รู้ที่ไปที่มาของคำคำนี้เท่านั้นเองนะที่เราที่เราเขียนเรื่องนี้นะว่าไอ้ตัวยานมันมาได้ยางไรที่เราใช้เนะี่ยถ้าหากว่าเราไม่รู้มันก็จะงงนะในส่วนของท่าการดับไปของวัตถุเราเรียกว่าจุติ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 วิธีใช้มันใช้ออกมากี่ทางใช้ใช้ทั้งหมดที่สี่ในตัวเราใช้ออกมากี่ทางสามทางใช่ไหยทางไหนบ้างกายยัตถวา a ใช้ทางกายวจีทวานใช้คาพูดและมโนทวานใช้ทางจิตใจดังนั้นเองเราจะต้องสั่งสมตัวรู้เนี่ยให้พร้อมไว้เสมอ stand ไว้เสมอด้วยการฝึกสติสัมยา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 ขอขวดอีกสักใบอุปรกรณ์การสอนเยอะเหลือเกินสมมติเอาโน่นอีกใบหนึใบใบน่งสมมติสถิธิปัญญ4อี่าง น, นตะตอนแรกคุณเรียนรู้เรื่องกายถ้าสมมติว่าเรามองเสาเนี่ยอีกสามเสาเนีมองเห็นไหมเห็นแต่เห็นไม่ชัดแต่มองทีเดียวปลปาดเดียวมันก็เห็นทั้งสี่นั่นแหละใช่ไหม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 แล้วราคาทําให้คนเกิดความลำบากเดือดร้อนอย่างเห็นวิบากชัดเจนมากเลยมันก็จะไม่ยุ่งกับราคาโทสะโมหะอีกอเสร็จแล้วพอที่ชํานาญวันหนึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่โป๊ะหมดเลยทียนี้ชัดเจนทั้งสี่ตัวเป็นจิตของเราหมดเลยเปลี่ยนจิตมาเป็นตัวรู้ทั้งสี่ระดับนะนั่นเองเราก็จะไม่สงสัยละเส้นทางนี้เราก็กลับมาซักซ้อมอยู่แค่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 เมื่อรขาเอาสิกอยูนนนอ่นี้ตัดสินได้โพลหรืออันนี้ความรู้สึกทางกายนะพอรู้สึกนี้่ปั๊บตัดสินได้ว่าอันนี้เขารู้สึกทางจิตนะจะเห็นสองอย่างบางครั้งมันอ็ยังโกรธอยู่มันยังชอบอยู่ไม่ชอบอยู่ก็รู้ว่าเป็นอาการของจิตนะไม่ใช่อาการของเรานี่เป็นอาการของจิตเป็นอาการของกายเมื่อรู้ว่าอาการอของจิตของลูกของนามของกายของใจความสําคัญว่าเรามันลดลงไหมลดลงศักยะทิฏฐิเริ่มอ่อนกําลัง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 เราก็ไม่รู้ความพอใจเกิดจากมาที่เราเปลี่ยนะสบายเพราะนั้นต้องทบทวนนี้ไปเรื่อยๆตอนเย็นอาจจะมี powerpoint พอพอพอพอทวนความช่งจำอีกทีหนึ่งว่ามันมันกินไปถึงไหนนะถ้ามีคนทําให้ดังนั้นทั้งหมดทั้งปวงที่เราพูด ก, กลับมาตอนเช้าในเรื่องของที่มาของการไตรลักษณ์กับไตรสิขาเนี่ยพอจะเห็นภาพหรือ ย, ยังเห็นภาพนะ ม, มีอะไรน่าสงสัยมั้งทำเดี๋ยวเวลาห้านาทีมีนะ